อนาปติวนันภิกษุตอบเป็นนี้ไม่ต้องอบัตคือ468 1. ิภิกษุไม่ประสงค์จะก่อความรำคาญกล่าวว่าท่านคงจะอายุย่นกว่า20ปีประสมบทแล้วท่านคงจะฉันอาหารเวลาวิการท่านคงจะดื่มน้ำเมาท่านคงจะนั่งในที่รับกับมาตุคามท่านจงรู้เถิดอย่าได้มีความรำคาญภายหลังเลย 2. ภิกษุวิกลจริต3ภิกษุต้นบัญญัติสันจิต จ, จาสิกขาบทที่7จบ